บรรดาท่านพุธศาสนิกชนทั้งหลายและบรรดาทัานมิโยคาไวนชนทั้งหลายสำหรับเวลานี้ก็เป็นเวลาที่ใกล้ที่จะเจริญพระกรรมฐานแล่ด้าวาก่อนที่เราจะเจริญพระกรรมฐานกันวันนี้ผมก็ขอจะย้ำ เรื่องการตายครั้งที่สามทั้งนี้ก็เพราะว่าจะได้เป็นนิทัศนะหรือว่าเป็นบทตัวอย่างดรือความจริงการเล่าเล่าถึงการเรื่องผ่านการตายมานนี้ก็อขอได้โปรดอย่าคิดว่าผมอดอ้างเรืวความจริงมีความประสงค์อยู่อย่างเดียว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 เห็นจะเป็นเดือนเมษาและมีนาผมจำไม่ได้แน่ท่านพระครูวิชาญทยาคุณวัดปากคลอมาคํำเท่าได้รับเรื่องสำนักจากเป็นพระครูฉันเอกตั้งก็มานิมนต์ให้ไปในงานของท่านอากาศมันร้อนแสนจะร้อนผมมีจุดอ่อนอยู่อย่างหนึ่ง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 ที่วัดท่าสุงนี่ยังไม่มีอะไรเพราะว่าผมมาปีสพส .2511 คือ25มีนาคมปีนั้นก็มาเริ่มจัดทาของเล็กๆ น, น้อยๆขึ้นแล้วก็ทากระท่นนอมเล็กๆที่โคนโพแล้วก็มีกระท่อมหลังเล็กที่ไม่มีฝาที่ปรากฏในปัจจุบัน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 อยู่ด้วยกันสองคนเท่านั้นเมื่อขึ้นมาถึงที่พักก็รู้สึกว่าอาการเครียมีมากขึ้นผมก็นอนในกระท่อมหลังเล็กโคนโพที่ไม่มีฝาเพื่อเอาเตียงไปวางไว้ที่นั่นหนึ่งเตียง ไ, ไว้สำหรับรับแขงตอนกลางวันเป็นประจำ <c oughs> เสียงพี่ชายผมปั่นไม้ผมได้ยิน แต่ก็นั่งทำอะไรอยู่ผมก็รู้เรื่องอริยะแรกแต่ถ้ ว, ว่ามัอนนอนไปอาการเพลียเกิดขึ้นรู้สึกว่าใจไม่ในวิวแต่ว่าใจมันเต้นเบาลงสายตาเริ่มสั้นสมาธิละน้อยเะน้อยอาการคราวนี้เป็นอาการชินเดียวกับเมื่อคราวตายครั้งที่สอง เมื่อเวลาที่ตายครั้งในสองก็รู้สึกมีสภาพเช่นเดียวกันแต่ว่าตอนนั้นเป็นโรคท้องเดินแต่วความจริงคราวนี้ไม่ได้เป็นโรคท้องเดินเป็นโรคถูกความร้อนจัดเพราะอาศัยความดันโลหิตต่ำเมื่อความร้อนจัดเกิดขึ้นเส้นโลหิตทองตัวเลือเดเลี้ยงสมองไม่พอมันก็สิ่งกำลัง แต่ผมก็ไม่ได้บอกใครมันนอนไปทล่ร่างกายมันมีสภาพปริยจัดใจละเหียมากก็ ม, มีความรู้สึกในใจว่าสภาพของร่างกายนี้มันไม่มีอะไรเป็นสุขเลยมันมีสภาพเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาและเราก็เป็นาธาตุมันอยู่เสมอ ในสภาพเขาร่างกายถ้าเป็นอย่างนี้เราก็ไม่ควรจะ ย, ยึดถือมันอะไรเป็นสำคัญยง <c oughs> ม, มีความรู้สึกในใจว่าถ้าเองอยากจะพังก็เชิญพังเพราะข้าเป็นทาสเองมานานแล้วฉันดายความชั่วของเจ้าคือขันห้า มันไม่มีความกระตัญญูรู้คุณหมายความว่าต้ำแต่เกิดมาอาเลี้ยงเองทุกอย่างจะกินอาหารอะไรข้าก็ให้จะต้องการผ้าผ่อนท่อนสบายประเภทใดก็หาให้จะมีความปรารถนาอย่างใดก็ให้ทุกอย่างแต่ว่าขันห้ามไม่เคยปราณี เรื่องความป่วยไข้ไม่สบายนี้เราไม่ต้องการแต่ขันห้ามมันก็ยัดเยียดให้อยู่ตลอดเวลาเรื่องความร้อนร้อนจากความหิวความกระหายก็ปกตดีปรากฏว่าขันห้านี้ยัดเยียดความทุกข์ให้เสมอ <c oughs> เวลานั้นมีความรู้สึกว่าถ้าขันห้ามันพังซะได้แล้วก็จะมีความสุขความรักในขันห้าไม่มีในจิต ความห่วงใยในทรัพย์สินทั้งหลายต่างๆไม่มีความรู้สึกในจิตความที่ห่วงใยใครๆทั้งหมดไม่มีความรู้สึกมีความรู้สึกอยู่อย่างเดียวว่าถ้าคันห้ามมันพังฉันได้เวลานี้เราก็จะมีความสุขเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเราจะได้จากเจ้านาย หรือว่าผู้บังคับบัญชาที่เต็มไปด้วยความเครียดเต็มไปด้วยความอมหิตโหดร้ายคือขันห้าเวลานั้นจิตใจไม่ได้ห่วงใหญ่อาการมันปรากฏต่อมานั่นก็คือสายตามองสั้งเข้ามาทุกทีทุกที <c oughs> แล่ ว, ว่าเรื่องทุกขเวทนาในใจไม่มี กายมันจะมีทุกขเวทนาอะไรนั่นไม่ทราบเพราะไมะ่ได้สนใจหากว่าท่านจะถามว่าผมเข้าฌานสมาบัติอันดับสูงหรือผมก็ตอบว่าไม่ใช่ไม่ใช่ฌานไม่ใช่สมาบัติไม่ใช่อะไรทั้งหมดเว้ยนจะมีความรู้สึกอย่างเดียว ว่าขันห้ามมันจะพังก็ดีแล้วเพราะเราเป็นทาตามันนานถ้ามันพังคราวนี้เรากับมันก็จะขออย่าร้างกันเด็ดขาดจะไม่ขอมีขันห้าเพื่อความเป็นทาตมันต่อไปเมื่อความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นอารมณ์ใจก็เป็นสุขกําลังมันก็สิ้นไปทีละหน่อยละหน่อย สายตามองสั้นเข้ามาทุกทีทุกทียัก็ตั้งพี่ชายผมกาลังฟันไม้โปกพวกช่วยไกล ค, ความจริงเวลานั้นยินเสียงถนัดผมเริ่มไม่ได้ยินเสียงตายมองเห็นพี่ชายทำงานดังๆผอที่สุดก็มองไมาเห็นสื่งห่างอยู่กันประมาณสามเมตรเท่านั้นข้าพเาโทษนั่งอยู่ห่างกันประมาณหกเมตร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 เราตัดสินใจแล้วว่าคันห้าพังก็ดีเพราะว่าเป็นนายที่ไร้กาศมากมาช่วงนี้เองเกิดความรู้สึกว่านี่ความตายหรือการสลายตัวของเจ้าเข้ามาถึงอินทรียศาทตรทุกส่วนของร่างกายมันจะเริ่มหยุดดีแล้วฉันขอลากันห้าคันห้ากับฉันเลิกกันตั้งแต่วันปัจจีบเป็นต้นไป เมื่อพังแค่ได้ก็ดีแล้วคอยเวลานี้มานานแล้วพอมีความรู้สึกตนนี้แทนที่สายตามันจะสั้นเข้ามาสายตากับยาวออกไปมองหิงไกลออกไปเห็นพี่ชายที่กำลังทำงานได้ยินเสียงที่แกกำลังฟันไม้มองไกลออกไปทุกขณะจนกระทั่ ง, งเศ้าถึงสภาพปกติ <c oughs> ตอนนี้ก็รู้สึกเสียดายคิดว่าทำไมหนอยเจ้าขันห้ามันจริงไม่พังแต่จว่าถ้าเราจะไปทำให้หมันพังก็เป็นอัตตานิบากรรมซึ่งเป็นการไม่สมควรพระพุทธเจ้าทรงปรับเป็นโทษเมื่อสายตาขยายยาวไปเป็นปกติสภาพของอารมณ์จิตใจ่อร่างกายก็เริ่มมีกำลัง เป็นอันว่าความตายยังไม่เข้ามาถึงแต่มันก็กำลังจ้องอยู่เฉพาะแค่เวลาระยะสองเมตรเท่านั้นเองมันหยุดยืนอยู่ชั่วระยะไม่ถึงสิบนาทีมันก็ถอยหลังออกไปพรอสายตายาวไปเป็นปกติบริสัทธาหูฟังเสียงได้เป็นปกติก็มีความรู้สึกว่าเจ้าขันห้า่างไร เองจะสลายตัวทาไมยังไม่สลายเราไม่มีความห่วงใยในเธอเราไม่ต้องการในเธอแต่ว่าเป็นที่นา่าเสียดายถ้าว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาราศาสนาสมมาสมุติเจ้าไม่ทรงห้ามปรามเรื่องทาอัตตานิบากรรม เราจะจัดการกับมันเช่นเดียวนี้เพราะว่ามันเป็นปัจจัยของความทุกข์ท่านี้เราจะพอจะมีความสุขที่จะละขันหาที่เต็มไปด้วยความสุขระปรกเต็มได้วยความไม่แน่นอนมีอาการไม่สงตัวเป็นแหล่งนำมาเึ่งความทุกข์แต่การจะสิ้นทีพยจากสประดสายเก่าเกับเริ่มดีมาอย่างเดิมเป็นที่น่าที่ยดาย <c oughs> ความเสียดายตอนนี้ไม่ใช่เสียดายขันห้าเสียดายความตายว่ามันน่าจะตายไปเสียเลยมันจะได้เหมาะดีกว่าก่วความรู้สึกอย่างนี้ปรากฏขึ้นก็มีความรู้สึกที่จุดหนึ่งตอนนั้นปรากฏไวเห็นภาพพระลอยมาจากที่สูง ในแดงไกลแสงไกลแต่ว่าอยากไกลแสงไกลยังไงก็ตามทีก็รู้สึกว่าเห็นท่านชัดมีฉับพันรางสีรัศมีา ก, การแปลกดชัดลอยเรี้ยวลงมาลักษณะที่ลอยลงมาดูมันว่ามาช้าๆาเห็นภาพพระก็รู้สึกชื่นใจ ว่าที่พึ่งใหญ่พวกเราปรากฏแล้วต่อมาระยะประเดี๋ยวเดียวภาพพระนั่นก็ปรากฏเฉพาะหน้าทั่นยืนอยู่ในอากาศสูงขึ้นไปประมาณทักสามสี่วาแต่ก็เห็นชัดมีความสวยสุดงดงามเป็นประกรณีพิเศษ อาศัยฉับพรังสีพระองค์สมเด็จพระองค์ว่าบรมโลกใเชตสวยงามมากความชื่นใจก็ปรากฏเรื่องร่างกายจะตายหรือไม่ตายตอนนี้ไม่ได้คิดเมื่อคิดว่ามันจะอยู่ก็ช่างมันจะตายก็ช่างเป็นเรื่องของมันเมื่อมันอยู่เราก็ไม่มีความรู้สึก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 ด้วยการที่ห่วงใหญ่ร่างกายนี้ไม่มีสำหรับเราก็เห็นภาวะคือพระผู้องค์สมเด็จตัวสัมมาสัมพุทธเจา้าอันนี้ผมไม่ได้ยืนยันกับท่านว่าเป็นพระพุทธเจ้าจริงๆอาจจะเป็นนิมิต จ, จากอำนาจพุทธานุสติกรรมฐานก็ได้เพราะจิตใจของผมรักพุทธานุสติกรรมฐาน <c oughs> แต่ถ้าผมพูดมาตอนนี้ก็ขอท่านหลายโปรดอยากเข้าใจว่าผมเมา่ก่อนว่าตัวผมเป็นพระอรหันต์ผมไม่มีความรู้สึกว่าผมเป็นพระอรหันต์และไม่มีความรู้สึกว่าผมเป็นพระสวนชานตามที่เขาเล่าเลยกันตอนนั้นผมมีความรู้สึกอยู่อย่างเดียวว่าขันห้ามันเป็นโทษขันห้ามันเป็นทุกข์ขันห้ามมันเป็นศัตรู เพราะว่าองค์สาเร็จพระบรมครูท่านทรงจัดไว้อย่างนั้นอารมณ์ใจของผมมันก็ชินชินต่อทุกเวทนาทุกอย่างตามที่จะเกิดจากความเหน็ดเหนื่อยจากร่างกายก็ดีความลาบากกายก็ดีความลาบากใจจากถ้อยคำที่ไม่เป็นที่น่ารักไม่เนหน้าที่น่าพอใจก็ดีอารมณ์ใจอย่างนี้มีความเคยชิน เมื่อกระทบกระทั่งเขาแล้วก็เกิดความไม่รู้สึกรู้สึกเฉยๆเป็นชื่อว่านินทาเปะนสงสาถือว่าเป็นโล ก, กัธรรมดาเป็นธรรมดาของชาวโลกความเนหน็ดเหนื่อยความทุกข์ต่างๆถือว่าเป็นธรรมดาของบุคคลที่เกิดมาในโลกต้องรับสภาวะอย่างนี้ไว้กันหมด ทั้งนี้ก็เพราะว่าได้ศึกษาพระธรรมคํ า, ค ส, าสอนเขา อ, องสมเด็จพระบรมสุคตมาตามนั้นก็มีความรู้สึกอย่างนั้นไม่ใช่ว่าผมจะปยากรัดความเป็นพระอรหันต์ของผมผมไม่เคยมีความรู้สึกจะเป็นอะไรหรือไม่เป็นอะไรนะั่นไม่สาคัญมีความสําคัญอยู่อย่างเดียวว่าผมกับขันห้าผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นศัตรูของผมอยู่เสมอ แต่ผมก็ไม่เกลียดมันผมก็ไม่รักมันถ้าผมเกลียดมันผมก็ต้องฆ่ามันแต่ฆ่ามันไม่ได้แล้วอาศัยมันอยู่สมเด็จพระบรมครูปรับเป็นโทษก็เลยไม่ทําไม่ก็เลยทําใจสบายๆก็คิดว่าถ้าอยู่ก็อยู่ไปถ้าอยาพังก็พังไปไม่เห็นจะอะไรมันมันจะเป็นยังไงก็เฉลงหนาวก็หนาวร้อนก็ร้อนป่วยก็ป่วย เนยก็ช่างช่างมันทั้งหมดถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาคิดว่าชีวิตนี้ไม่กี่วันก็สลายเมื่อชีวิตสลายเมาายื่อไรความสุขใจก็จะปรากฏเหมือนนั้นเหมือนกับคนที่กำลังอดน้ำแต่ทราบอยู่ว่าข้างในด้านหน้าโนู้นจะมีแม่น้ำใสสะอาดมีน้ำมากจะกินจะอาบได้จิตใจก็มีความสุขชั้นใด <c oughs> กำลังใจของผมก็เป็นฉันนั้นในเมื่อสติเป็นคืนตัวรูปพระพุทธเจ้าทรงปรากฏอันนี้ผมไม่ได้ยืนยันนะว่าพระพุทธเจ้าท่านเสด็จมาเป็นแต่เพียงเห็นว่าเป็นนิมิตในเป็นรูปพระพุทธเจ้ามีฉัพันรางสีรัศมีอประการ ซึ่งเป็นของธรรมดาของบุคคลที่เจริญพุทธานุสติกรรมฐานเข้าถึงจุดจะเห็นอยู่ได้เสมอความชื่นใจปลายกฏตอนนี้เสียงองค์สมเด็จพระบรมสรุคตทสงจรดว่าสัมภะเกสีทุกทางร่างกายเท่านี้เธอมีความรู้สึกว่าเป็นทุกข์มากหรือ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 และก็สรงตัดว่าการตายหรือ ว, ว่าการทุกข์การที่สวยทุกในร่างกายอันเดียวไม่ความหรือว่าชีวิตนี้มันยังมีความทุกข์น้อยกว่าที่เจอที่จะต้องใช้กฎของกรรมต่อไปไว่ากฎของกรรมในดีตชาตินับเป็นแสงกลับ ที่เจ้าทำบาปไว้ในฐานะที่เคยเป็นนักรบฆ่าคนมาแต่ละชาติหลายชาตินับเป็นแสนชาติเจ้ายัางใช้นี่เขาไม่หมดถ้าหากว่าเจ้ามีความห่วงใยในชีวิตจิตของเจ้าไม่พยายามหลีกหนีกรรมที่เป็นอกุศล ยังมีห่วงใยในร่างกายของตนและทรัพย์สินและพี่น้องยังสะสมทรัพย์สิสนยังคิดว่านั่นเป็นเราเป็นของเราเจ้ายังจะต้องเกิดอีกแต่าการเกิดของเจ้าต้องดูว่าเจ้าจะต้องใช้นี่สิ่งเหล่านี้เมื่อพระองค์ทรงตรัสจบเห็นว่าเขตดแดงของวัดท่าส่งเวลานั้น นับตั้งแต่ครองอยางมาถึงยันทิศเหนือยันชายไผยบริเวณวัดเต็มวัดมีหัวคนไม่มีตัวซ้อนกันเต็มบริเวณวัดสูงกว่ายอดโพธิ์สองเท่าอย่างนั้นก็ได้ยินเสียงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในนิมิตว่านี่คนที่เธอฆ่ามาในอดีตชาติ และก็เธอยังไม่ได้ใช้นิกรรมกรรมดีข้าเขาเจ้ายังไม่ได้ใช้น่เพราะเวลาก่อนจะตายเจ้าก็อาศัยความดีคือกรรมที่เป็นกุศลได้การ บ, บุญนิกริยาวัตถุต้งสาม้ายการหนึ่งทานไม่บุญนิการจากการให้ทานสองศีลไม่บุญจากการรักษาศีล สามภาวนาใหม่บุญการเจริญภาวนาจิตเป็นฌานเวลาที่จะตายพระอาศัยกำลังใจที่เป็นฌานมีรมเข้มแข็งนึกถ่งความดีสารายการร่วมกันเป็นปัจจัยให้เธอไปสู่สวรรค์และผมอยู่เสมอฉะนั้นนี่เก่าทั้งหมดนี่เจ้าจริงยังไม่ได้ใช้นี่ แต่ถ้าหากว่าเจ้ามีชีวิตโรงชีวิตนี้ถ้าพลาดกลา้งลงไปเมื่อไรตายลงไปแล้วต้องไปสู่ใบพรมดูชีวิตว่าที่มีกี่ชีวิตหัวหนึ่งต่อนหนึ่งชีวิตเจ้าจะต้องใช้หนี้ในบุคคลที่ไม่สามารถจะนับจำนวนได้ขอท่านหลายผู้รับฟังลองคิดดู เอาแค่หัวคนวางเรียงกันเต็มบริเวณตั้งแต่คลองยางชนถึงไผ่ด้านเหนือที่จะวาดประกาศวันนี้แล้วมันก็สูงขึ้นไปจนทั้งเลยยอดโผล่ถึงสองสามเท่าไม่รู้ประมาณเท่าไร่พอทั้นแจ้งแล้วท่านก็ถามว่ามีความห่วงใยในอะไรบ้าง ในความรู้สึกเวลานั้นก็กราบทูลว่าไม่มีความห่วงใยอะไรชีวิตเลือดเนื้อมันจะสลายตัวก็ไม่เคยมีความห่วงญาติพี่น้องทั้งหลายใดๆก็ไม่เคยมีความห่วงทรัพย์สินใดๆที่จะห่วงใยก็ไม่มีที่จะห่วงใยกันแล้ว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 เสียงองสมเด็จปจัญญาสีสรงตัดแล้วก็ทรงลอยหายไปนาการความรู้สึกก็กลับคืนตัวและคืนมาสู่สภาพเดิมตอนนี้ความเพลียทั้งหมดรู้สึกว่าหายไปนี่ดาท่าน น, นหลายเพื่อเครื่องเตือนใจสําหรับท่านว่าความตายนี่มันจะมีกับเราเมื่อไรก็ได้จะไปรอเวลาแก่หรือจะไปรอเวลาป่วยไข้ไม่สบายนะ่ะ นี่ความจริงเวลานั้นอาการมันก็เป็นปกติโยโยมันก็หมดแรงไปทำท่าจะตายเฉยๆนี่นำเรื่องนี้มาเล่าสู่ท่านกังฟังเพื่อเป็นการศึกษาอย่างหนึ่งถ้าเป็นประโยชน์นี่เรการหนึ่งก็เพื่อให้ท่านหลายไม่ประมาทในชีวิตจงอย่าคิดว่าเราอยากาตายเมื่อแก่ จ้งอยากคิดว่าระยะตายอายุประมาณเท่านั้นเท่านี้จงคิดไว้เสมอว่าองค์สมเด็จพระจินสีสมปรัสว่าความตายไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายเราจะตายเมื่อไรก็ได้สําหรับวันนี้มองดูเวลาก็รู้สึบประหมดเส็จแล้วก็อตอนยุติไว้แต่เกีตรนนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแต่ท่านผู้รับฟังทุกท่าน